หัวใจบออฟังผมหัวใจแท้ฟังเอาไปขังขังเรืมคนแบบเนี่ยเดี๋ยวเราวหน้อืมัม น, เ ท, นเที่ยวขี่เดี๋ขี่แอรคนมันขี่พอขี่เดสิปักบหัวมันพัขี่สิอ้าวอ้าวถ้าคนอื่นขับมไม่โดนคนอื่นมึงอย่าไปพูดอยู่คนอื่นมันเข้าใจไหมคนอื่นนี่ยมันเขาโดนทาไมคนอื่นทาได้เราทำอย่างมันหรออ้าวได้ครับ สมอมัเมียหมดความคิดสมิมารกิวิดหมดแล้วโดนรถบาดจสัวคุณไม่หสีอะไรนะแล้วก็วราสัมเกือบันียอไย่างนั้้อยนอยนอยนอยนอยนออยยย้้ โอเคว้ยคุณเว้มันจะเล่าขึ้นมาขึ้ p เงิแท้ความเยี่ยมธุรกรรมความเยี่ยมกินตบหาวบอแล้วเป็นยังไงบอกคุณเว้ยได้ไมึงใหญ่คุนอี้เพ่ขี่มอไซค์แหลมเนี่ยผมําขี่เลยไหมเออมึงเหไหมว่าขี่ผมแล้วครับผมนั่งนาเพื่อขี่เป็นปีฉันเห็นขี่เพื่ออออยู่สแกงวนจับบมลอนเดี๋ยวหญ่ป๋าเออั้มก็ได้ครับฟั้ก็ได้ครับปั้มครับ บ้าบ oh. ้าเวลบวโอ้าหิวจะกวนแบบมาหี่ปาไปเด้อครับไปเอครับไปเด้อครับไอเอเอาไปเด่นกินเลยดีมาพวรลุงตัวนี้ตัวเล่เออดีดีดีอไอเร่องัวเนดีไปนี่รเอ็มใล้ดเดนี่ีคเทนต์หมดเด่น นี <ítulo> ่เออเรื่องมึงก็เสี่ยงกันแบบนี้มาวันกูแล้วมึงก็มาแดดแบบนี้กูก็ตั้งใจจะทำบ้านให้มึงแดดดีๆคนังี้ยึงอะไรนักหนาเว้ยนั่งแดดแบบชาวบ้าเชาวช่องเขาเขาใจพวกบอกจีก็พวกบอกจีก็จีวนแล้วไปนั่งแดดข้าเเี้ยรั่งดีๆกูนั่งดีๆนั่นดีอยู่กูนั่งดีๆตักหัวด้วยตั ก็ปีแรงๆเดี๋ยวเอาอิสระที่มาสุขคาแฟนไหมึงจะั่างแบบไหนอะไรอะไรไไ่บอกว่าไมจบใช่ไหมเดี๋ยวไปส่งูมึงไม่จบใช่ไหมจจบมึงจะจบไปจบจเอาไรจบุขค่าแฟนแล้วหักแล้วมึงจยังไงไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไเอะไปเอ้ะ สักเย